สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยหกสิบสี่ตอนถนนสายเยรูซาเล็มและสมารียตอนที่หนึ่งครับพระเ้าพระเจ้าวันนี้อยู่ในลูกาบทที่สิบข้อยี่สิบห้าจนถึงข้อที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นตอนที่เราทั้งหลายรู้จักดีก็คือตอนชาวสมารียใจดี โปรดฟังโวชนะของพระเจ้าลูกาบทที่สิบข้อที่ยี่สิบห้าดูเถิดมีบาเรียนคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าค่ะข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์พระองค์ัดตอบว่าในธรรมบัญญัติมีคำเขียนว่าอย่างไรท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไรเขาทูลตอบพระเยซูว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสแกเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงกระทําอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตแต่คนนั้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของเขาพรเจ้าพระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยอเซลมจะไปเมืองเยริโคและพวกเขา และเขาถูกพวกโจนตปนโจนนั้นได้แย่งทิ้งเสื้อผ้าของเขาและทุบตีแล้วก็ละทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้วเพิร์นปุริตคนหนึ่งเดินลงไปทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียอีกฝากหนึ่งคนหนึ่งในพวกเลวีก็ทำเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฝั่งหนึ่งแต่ชาวซามารีคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้น ทั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตาเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้พางเอาน้ำมันกับเล่อมุนเทใส่บาดแผลนั้นแล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึง่งและรักษาพยาบาลเขาไว้วันรุ่งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงินสองเดนนารีอันนั้นมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิด และเงินที่จะเสียเกินี้เมื่อกลับมาทันจะใช้ให้ในสาลคนนั้นท่านคิดเห็นว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่สแสดงความเมตตาแก่เขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดเพียงครับจุดเริ่มต้นของคอําอปมาที่ทุกๆกคนรู้จักกันดี เกิดขึ้นหลังจากที่เยซูส่งสาวกของพระองค์ออกไปเจ็ดสิบคนเพื่อเทศนาสั่งสอนครับและในขณะที่พระองค์กำลังเดินตรงไปที่แคนยูเดียเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลฉลองปวิหารในเยเรูซาเล็มนั้นพระองค์ก็เล่าเรื่องนี้ครับพยยระเยซูเสด็จมาใกล้ถึงเมืองเยโคลก็มี ตัวละครนะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่โต้อตอบกับพระเยซูนะครับในเรื่องนี้ก็คือบาเรียนบาเรียนนั้นถ้าเราเปิดดูในพจนานุกรมไทยนะครับก็เป็นคำไทยครับเป็นคำไทยแหงมาจากคำว่าบาเรียนนะครับหรือแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าผู้คงแก่เรียน นะครับแปลเป็นภาษาวัยรุ่นว่าพวกบ้าเรียนหมายถึงพวกนักกฎหมายครับนักกฎหมายหรือคนที่ใช้กฎหมายคนที่รู้กฎหมายเป็นคนที่เรียนนะครับเรียนรู้ทางด้านกฎหมายบ้าเรียนคนนี้หรือนักกฎหมายคนนี้ยืนขึ้นทดสอบพระเยซูครับเราจะเห็นว่าคำสามของเขาก็คือว่าอาจารย์เจ้าค่ะ ข้าพเจ้าจะต้องทําอะไรเพื่อได้ชีวิตนี้รือไม่พระเยซูก็ถามเขาว่าในธรรมบัญญัติเขียนว่ายังไงท่านอ่านเขาน้าใจยังไงเขาก็จับประเด็นที่พระเยซูทรงสั่งสอนก่อนหน้านั้นได้ก็คือให้รักพระเจ้าซึ่งสุดจิตสุดใอสุดกําลังสุดความคิดอันที่สองก็คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพี่น้องครับที่นี่นะครับก็เป็นพระมหาบัญญัตินะะ โมเสยนั้นได้ให้บัญญัติอิบการนะครับแต่พระเยซูสรุปมาเป็นพระหาบัญญัติสองประการเท่านั้นก็คือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตจุดใจสุดกําลังสุดความคิดและที่สองคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองพระอนบุญพีบรรยายต่อไปนะครับว่าพระเยซูก็บอกว่าถูกแล้วจงกระทาอย่างนั้นเถิดแต่เรื่องไม่จบครับในข้อที่สิบเก้าบาเรียนหรือพวกบาเรียน หรือผู้คงแก่เรียนนั้นหรือนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นก็้างทีบอกว่าปรารถนาจะแก้ตัวคำว่าแก้ตัวนั้นภาษาอังกฤษนะครับในเวอร์ชันต่างๆก็ใช้คำว่า justify himself ก็คือว่าทำให้ตัวเองดูดีครับทำให้ตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมประากาศตัวว่าเนี่ยผมได้เป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างนั้นเขาก็ถามพระเยซู นะครับถามว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้านะอันนี้คือลักษณะท่าทีของการว่าภาษาวัยรุ่นเรียว่า act up นะครับก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยเด่นขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบทําดีแล้วนะครับเนี่ยเป็นทําให้ตัวเองสร้างภาพนะครับตัวเองว่าให้ดูดีก็ถามพระเยซูครับว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เอง ทำให้เกิดคำอุปมาเรื่องชาวสมาเรียใจดีบนถนนเยรูซาเลม็มถึงสมาเรียเป็นทางหลวงครับบนทางหลวงนี้เราจะเห็นมีตัวละครอยู่4ีตัวละครด้วยกันนะครับตัวละครสองตัวละครแรกซึ่งจะพูดในเช้าวันนี้ก็คือคนฮีบรูที่ไม่ปราบกับนามซึ่งเป็นเหยื่อของโจร และอีกคนหนึ่งที่จะพูดในวันนี้ก็คือผู้นําศาสนาที่เรียกว่าปุโรหิตพี่น้องครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าชาวบาเรียนหรือพวกบาเรียนคนบาเรียนพวมคนเนี้ยนะครับเขามีทัศนคติลบกับพระเยซูแต่เราได้เห็นบทเรียนสอดคล้องกับบทเรียนเมื่อวานนี้ก็คือว่าพระเยซูนั้นเข้าไปในเรือนของซีโมนฟาริสีครับ ซีโมนชาวฟาริสีระเยซูให้โอกาสเปเยซูรักคนฟาริสีด้วยเวลนี้พระเยซูก็แสดงความรักความเมตตาต่อบาเรียนหรือพวกบ้าเรียนผู้คงแก่เรียนเป็นนักกฎหมายที่รับการยอมรับจากสังคมเขาต้องการที่จะทดสอบพระเยซูภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่าเท m p t เท m p t นี่มีความหมายเชิงลบนะครับมารสาตางเทมส์เเยซู บาเรียนคนนี้ก็มาเต็มพระเยซูเหมือนกันมาล่อลวงพระเยซูเหมือนกันมาทดลองพระเยซูเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีบางเวอร์ชั่นใช้คําว่าเทส์นะครับก็คือมาทดสอบก็จะดูเบาขึ้นนิดหนึ่งอย่างนี้ก็ตามครับข้อที่ของบาเรียนคนนี้ไม่ดีนะครับเขายืนขึ้นทดลองพระเยซูต่อหน้าสาธารณชนและต้องการ justify ตัวเองเราเห็นว่าบาเรียนคนนี้ เมื่อมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องเมื่อมาหาพระเยซูพระเยซูก็ยังทำไมครับพระเยซูยังรักเขาพระเยซูยังให้โอกาสเขาและนี่คือที่มาของพระอุปมาชาวซามารียใจดีพระเยซูยอมยอมที่จะอธิบายให้กับเขาโดยใช้คําอุปมาครับพขบุปมานี้เกิดจากคําถามนะครับที่ต้องการแก้ตัวต้องการสร้างภาพให้กับตัวเองว่า ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าเบซูตั้งแต่ข้อที่สามสิบพระองค์ก็เล่าเรื่องชาวสมเรจใจดีมีชายคนหนึ่งกำลังลงเดินทางจากเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคซึ่งอยู่ในแคว้นงามารีเขาถูกจโจลปนโจนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาทุบตีเขาและทิ้งเขาไว้ <c oughs> เกือบจะตายแล้วพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นภาพของเหยื่อ นะครับเหยื่อของโจรเหยื่อของคนที่ไม่ดีนะครับเหยื่อของความบาปครับก็คือชายชาวอิบราที่จริงๆแล้วเขาอาจจะต้องเดินทางไปยังเมืองเยเรโคอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ความจริงแล้วเมืองเยเรโคนั้นอยู่ในแคว้นสมาเรียครับเป็นเมืองหรือในแคว้นที่คนยิวคนฮีบรูนั้นไม่ปรารถนาจะไปครับแต่ว่าด้วยเหตุจําเป็นบางอย่าง คนฮีบรูคนนี้จําเป็นีะต้องเดินทางเข้าไปก็เลยกลายเป็นเหยื่อของโจนครับนะครับโจนอาจจะไม่ปล้นชาวสมาเรียด้วยกันนะโจรก็คงจะปล้นคนฮีบรูที่เขาไม่ชอบหรือบางครัง้งโจนก็ไม่เลือกคนปล้นครับเขาก็จะปล้นหมดทั้งคนเยริโคคนสมาเรียคนฮีบรูไม่เลือกปล้นครับเพราะว่า โจรนั้นก็คงจะไม่มีสัจจะไม่มีธรรมะย่างไงก็ตามครับเราจะเห็นว่าคนที่เป็นเหยื่อของความบาปหรือคนบาปหรือโจร น, นะครับก็มีอยู่ในสังคมของเราเสมอในครั้งบางคนก็อาจจะถามพระเจ้าถามเราว่าทำไมจะต้องมีเหยื่อนะครับของภัยธรรมชาติทำไมจะต้องมีเหยื่อของคนที่ไม่รุ้หนุยเนี่ยไม่รุ่ยเยงสาต้องมารับ ยำรับเคราะห์จากคนชั่วร้ายทําไมพระเจ้าไม่จัดการกับคนชั่วร้ายเสียทีพี่น้องครับในครั้งทีเดียวเราอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือผลพวงแห่งความบาปเป็นอํานาจของความมืดมินงยันชั่วทั้งหลายแต่พระเจ้าในที่สุดแล้วพระองค์ก็มีทางออกครับเราอย่าลืมว่าในที่สุดจะมีการาพาิพากษาไม่ว่าใครก็ตามทําความผิดความบาป ไม่ว่าใครก็าตามที่โกงกินคอรัปชันไม่ว่าใครก็าตามที่มีแรงจูงใจความปรารถนาในใจที่ไม่ถูกต้องน ค, ครับคนเหล่านี้ครับนะครับเขาอาจจะเป็นบาเรียนผู้ทรงความคงแก่เรียนแต่ทั้งในใจเขามีท่าทีที่ไม่ถูกต้องพวกเหล่านี้จะต้องถูกพิพากษาพวกโจรพวกคอรัปชันพวกอะไรต่างๆที่ทำไม่ถูกต้องจะต้องถูกพิพากษาครับ อย่างนั้นกตามคนดูคนนี้ก็กลายเป็นเหยื่อหลายครั้งเรากลายเป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมการโกงอย่างไม่จําเป็นพี่น้องครับบางโดยที่เราไม่รู้ตัวเรากลายเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้แต่เราอย่าลืมนะครับว่าขออย่าให้เราทําตัวเหมือนคนเหล่านี้ครับเราจะต้องทําตัวให้เป็นลูกของพระเจ้าที่ดีแล้วต้องยืนหยัดอยู่ในความสัตด์ซืทอในความดีงาม เราต้องยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องยุติธรรมเราต้องยืนหยัดในการรักษากฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ทําให้เราจะยั่งยืนเราจะผ่านการทดสอบทดลองในชีวิตของเราได้ด้วยเหตุ น, นี้เองแม้ว่าบางทั้งอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเราถึงคราวเคราะเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของความบาเหยื่อของคนบาปได้ขออย่าให้เราโทษพระเจ้าครับ ขออย่าให้เรารู้สึกท้อแท้ใจแล้วเลิกเชื่อพระเจ้าทิ้งพระเจ้าไปแต่หลายครั้งเราอาจจะเป็นเหยื่อของความบาปเราไม่เข้าใจแต่ว่าเรารู้ว่าในที่สุดแล้วพระเจ้ามีพระเมตตาเสมอเราจะเห็นว่าชาวบาเรียนคนนี้ได้รับพระเมตตาของพระเจ้าและในที่สุดคนฮีบรูคนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากชาวซอมเมเาเอีกเพียงกับในที่สุดทุกอย่างจะสับกลาย เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนที่รักพระองค์เสมอวัอนนี้นี่คือการหนุนใจที่เกิดจากพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้คนที่เป็นเหยื่อของคนบาปคนที่เป็นเหยื่อของความบาปคนที่เป็นเหยื่อของความไมยุติธรรมนะครับเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพื่อที่เราจะยังคงความรักในพระเจ้าไว้ยังคงยืนหยัดมั่นคงอยู่ในทางของพระเจ้าเรายังต้องไม่ปฏิเสธพระเยซู อ, وس, อย่าทิ้งพระเจ้านี่คือ คำลงใจในเทววนี้สําหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อก็คือเป็นคนฮีบรูที่ไม่ปรากฏนามนี้เขาจะเป็นนักธุรกิจครับแต่เขาเป็นผู้ที่ถูกตีถูกป้นถูกขโมยชิงทรับไปพี่น้องครับอีกคนหนึ่งที่ในเทววนี้จะแบ่งปันให้กับพี่น้องก็คือผู้นําศาสนาหรือปุโรหิตครับคนเหล่านี้เป็นผู้นําศาสนาที่อยู่ในครานของ ผู้นำศาสนาอยู่ในอาชีพอยู่ในวิชาชีพของผู้นำศาสนาเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้พิทักธรรมบัญญัตแต่ว่าปุโรหิตนั้นด้วยความกลัวครับนะครับความกลัวตามกฎหมายที่เขารู้ก็คือว่าคนคนนี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้เพระพื่อนพีบอกว่าดูเหมือนเขาจะตายไปแล้วนะครับทิ้งไว้จนเกือบจะตายแล้วนะครับโดยภายนอกนั้นเขากลัว นะครับกลัวว่าอะไรถ้าเกิดเขาตายจริงๆละ่ะฉันไปแตะต้องศพนะฉันกําลังจะไปปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของโูโรฮิตนะฉันจําเป็นที่จะต้องเดินผ่านเมืองเยริโครตรงนี้นะด้วยเหตุ น, นี้ทําไมฉันถึงมาเจอไอ้แบบนี้ด้วยพี่น้องครับโูโรฮิตนะครับอาจจะกลัวว่าเขาจะถูกป่นด้วยเอาจึงรีบเดินผ่านไปเนื่องจากกลัวกลัวตายนะครับจ้ามกฎหมายของเขายืวว่าชาวยิวไม่ไม่ควรแตะต้องคนป่าคนป่วย ปุโรหิตนั้นรู้ข้อนี้ดีครับเปียสูไม่เป็นเหมือนปุริตพเปียซูกลับแต่ต้องคนป่วยคนโลกเรื้อนคนตาบอดคนง่อยนี่คือเหตุผลหนึ่งครับที่ผู้นำศาสนาไม่ชอบพระเยซูพวกปุริตก็เป็นอีกพวกหนึ่งที่เป็นตัวแทนของพวกผู้นำศาสนาพวกที่ดูเหมือนเคร่งศาสนาพวกที่เอาศาสนา <c oughs> บางหน้าแต่ตัวเองนั้นไม่มีความ ไม่ตาไม่มีความรักไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่แท้จริงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งแต่ขอพระองค์พระเจ้าทรงช่วยพวกเราทั้งหลายทุกคนในการที่เราได้เรียนรู้และเราจะไม่เป็นดังที่พระเยซูไม่ปรารถนาให้เป็นแต่จะเป็นเหมือนกับชาวซาลโมเนียดีในวันพุธนี้อาเมน